ก็มีคำถามว่าทําไมในเมื่อมีความศรัทธาในพระไตรบุตรแล้วเนี่ยจึงลงเอยแบบนี้นะก็คือกลายไปว่าจิตมีความมุ่งร้ายหาเรื่องนะกล่าวหาพระไตรบุตรถ้าจะว่าไปแล้วก็เพราะศรัทธานั่นแหละนะจึงมีความขุดเคืองเพราะว่าเมื่อพระรุ่นี้มีความศรัทธาในพระไตรปิฎกนะก็อ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 อันนี้ก็เป็นความศรัทธานะที่มีต่อพระไตรปิฎกนะที่ทําให้อ่าเกิดความขุนเคืองใจธรรมราศรีฐานี่ยนะเมื่อศรัทธาใครก็หมายความว่าเรายอมลงให้กับพุ้นนั้นยอมลงให้กับพุ้นนั้นแต่ทําไมในเมื่อศรัทธาพระไตรปิฎแล้วเนี่ยจึงมาทําร้ายนะมามุ่งร้ายพระไตรปิฎกก็แสดงว่ามีความอ่า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 ต่อว่านะบางทีไม่ได้ต่อว่าเพียงแค่ทักท้วงไอ้ทักท้วงท่ามกลางผู้คนหรือว่าทักท้วงอสองต่อสองก็โกรธนะแล้วบางทีก็กลายเป็นว่าท่าทีเปลี่ยนนะจากที่เคยเคารพก็กลายเป็นไม่พอใจหรือถึงขั้นเกลียดชังนะทั้งที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยศรัทธานเนี่ยมัน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 นี่ขนาดความรักของพ่อแม่นะซึ่งก็เรียกว่ามีความเจงกบตัวน้อยแล้วเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเผลอให้มันให้กิเลสหรือว่าอัตตาครองใจเนี่ยมันก็สามารถจะจากความรักกลายเป็นความโกรธและความเกลียดอาจถึงขั้นไม่มองหน้านะไม่เผาผีนะหรือว่าทำร้ายกันเลยก็มี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 คนหนึ่งของหลวงปูด่ดุลนะโยมนี่เขาก็มาเล่าให้หลวงปู่ดุลมาฟังว่าเนี่ยมีมีครอบครัวหนึ่งนี่เขาบอกเนี่ยเขาทำบุญมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาก็ทำบุญเยอะนะตัวเขาเองผ้าป่ากระถินก็ไม่ขาดแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมทำไม่คุ้มครองต่อไปนี้จะไม่ทำบุญแล้วจะไม่เข้าวัดแล้ว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 นะทําให้เรานะมีความหวังว่าจะได้โชคได้ลาบนะ น, นีนเป็นศรัทธาที่มันเจอไปได้วยกิเลนะสศรัทธาที่ยังเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและศรัทธาแนี้ ง, ง่อนแง่นนะมันสามารถจะกลายเป็นสามารถจะกลายเป็นตรงกันข้ามนะจากศรัทธากลายเป็นความเป็นปฏิปักษนะ์ความเกลียดชัง